เริญอรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส8ปมิถุนายนพุทธศักราชสอง9ห้าหเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาว่า เพื่อจะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาสร้างความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นเพราะการมีความเห็นที่ถูกต้องจะพาให้เราไปสู่ความคิดที่ถูกต้องไปสู่การพูดที่ถูกต้องและไปสู่การการะทาที่ถูกต้องที่จะทำให้เกิดความสุข และความเจริญให้แก่ชีวิตของพวกเราความเห็นที่ถูกต้องนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีความเห็นที่ถูกต้องคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนเป็นความจริงทั้งนั้น เป็นความจริงที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้พบกับความสุขความเจริญได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของพวกเราก็จะต้องวนไปเวียนมากับความทุกข์กับการแก่การ เจ็บการตายอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะพวกเราไม่รู้ว่าพวกเรามาเกิดได้อย่างไรและจะหยุดการเกิดได้อย่างไรจะหยุดการที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าผู้สรงคนพบทางสู่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตาย แล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราก็จะถูกความเห็นผิดเป็นชอบที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหลอกให้เราหลงอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับการ ดำเนินชีวิตของเราว่าตอนนี้เรากำลังเดินไปในทางที่ไม่ถูกเดินไปในทางที่จะทำให้เราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เรื่อยๆเดินไปสู่ความทุกข์กันทั้งๆ ท, ที่ไม่มีใครอยากมีความทุกข์กันแต่ก็หนีไม่พ้นความทุกข์กันสักคนมีใครบ้างที่สามารถบอกได้ว่า เราไม่มีความทุกข์เลยเราไม่ทุกข์กับความแก่เราไม่ทุกข์กับความเจ็บเราไม่ทุกข์กับความตายมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตตอสาวกเท่านั้นที่สามารถพูดได้อย่างเต็นปากว่าเราไม่ทุกข์กับความแก่เราไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ทุกข์กับความตายและเราจะไม่ต้องกลับมาเกิด เีกต่อไปพราะเราได้พบสาเหตุที่พาให้เรามาเกิดแล้วสาเหตุที่พาให้เรามาเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากของเรานี่เองความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอย่างมีตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อจะได้เสกลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆความอยากนี่แหละ ที่ทำให้เราต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆร่างกายที่เราไ่อยู่ในขณะนี้ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บและมันต้องตายไปแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายแต่ใจที่มีความหลงคิดว่าการมีความสุขคือการมี ลูกเสียงกลิ่นรสให้มาเสกเราเลยต้องกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเสบลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่เพราะเราไม่อยากแก่ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่ ถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ถ้าเราไม่มีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่มีความอยากไม่ตายเราจะไม่มีความทุกข์กับความตายเพราะว่าเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาตาย แต่เขากลับไม่ทุกข์เหมือนเราเพราะเขาไม่มีความอยากเหมือนเราร่างกายเขาพร้อมที่จะแก่ร่างกายเขาพร้อมที่จะเจ็บร่างกายเขาพร้อมที่จะตายกันแต่ใจของเราไม่พร้อมใจของเราไม่ยอมเราเลยต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่อยากที่จะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย <_ an> เราก็ต้องหยุดความอยากเพราะถ้าเราไม่มีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกับเราไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็ บ, ค ว, จบความตายของคนอื่นของคนที่เราไม่ต้องใช้เขามาให้ความสุขกับเราเขาจะแกะ่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ได้อาศัยเขาแต่คนไหนที่เรายังอาศัยเขาอยู่ให้มหฮาให้ความสุขกับเราเช่นถ้าเราอาศัยแฟนอาศัยสามีอาศัยภรรยามาให้ความสุขกับเราเวลาเขาเป็นอะไรไปเราก็จะไปทุกข์กับเขาด้วยเพราะเราไม่อยากให้เขาแก่เราไม่อยากให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วย เราไม่อยากให้เขาตายทั้งๆ ท, ที่เขาก็ไม่ได้เป็นเราเสหน่อยแต่เรากลับไปทุกแทนเขาเพราะความอยากที่เราจะต้องการใช้ร่างกายของเขามาให้ความสุขกับเราเพราะเวลาที่เราอยู่ใกล้เขาเรามีความสุขเวลาที่เราอยู่ห่างไกลจากเขาเรามีความทุกข์เราจึงไม่อยากให้เขาจากเราไป แต่ถ้าเราไม่ต้องการเขาไม่ต้องอาศัยเขามาให้ความสุขกับเราเช่นถ้าเราอยากันเลิกกันไปเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องอาศัยเขาเราไม่ต้องการเขาแล้วนั่นเองฉันใดถ้าพวกเราไม่ต้องการความทุกข์จากการแก่การเจ็บการตายของร่างกาย เราก็ต้องอย่าร้างกับร่างกายอย่าไปอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราถ้าเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนวิธีที่เราจะเลิกใช้ร่างกายได้เราต้องมีสิ่งอื่นมาแทนร่างกาย เหมือนก่อนที่เราจะเลิก oh กับแฟนเก่าได้เราต้องหาแฟนใหม่ก่อนถ้าเราได้แฟนใหม่เราก็ทิ้งแฟนเก่าได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเรายังไม่มีแฟนใหม่เราก็ยังไม่อยากจะทิ้งแฟนเก่าดีมีแฟนเก่าไว้ถึงแม้ว่าจะไม่ดี 100% ซก็ยังดีกว่าไม่มีเลยแต่ถ้าเราได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่า เราก็เลิกกับแฟนเก่าได้ฉันใดตอนนี้ร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนแฟนเก่าของเราที่เรายังต้องอาศัยเขาให้ความสุขกับเราอยู่เราจึงเลิกกับเขาไม่ได้แต่ถ้าเราหาแฟนใหม่ได้เมื่อไหร่แฟนใหม่ที่ดีกว่าเขาเราก็จะเลิกกับเขาได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องทุกกับเขาดังนั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรา มาหาแฟนใหม่กันเพื่อที่เราจะได้เลิกกับแฟนเก่าแฟนใหม่ของเราคือใครก็คือใจที่สงบนี่แหละเป็นแฟนใหม่ของเราเพราะถ้าเราสามารถทําใจของเราให้สงบได้เราจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากร่างกายพอเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขของร่างกายเราก็ เลิกแลใช้ร่างกายได้ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องไปฟังเพลงไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปกินไปดื่มเพราะความสุขที่เราได้จากความสงบของใจนี้มันดีกว่ามันสบายกว่าไม่ไวุ่นวายเหมือนกับการหาความสุขทางร่างกายแล้วก็เป็นความสุขชั่วคราว เวลาไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาบ้านก็ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดทำให้เราไม่อยากอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขต้องออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไปเที่ยวไม่ได้ถ้าเราไม่สบายก็ไปไม่ได้ถ้าเราแก่ก็ไปไม่ไหวถ้าเราตายก็ไม่ได้ไป ก็จะมีแต่ความทุกข์ตามมาต่อไปถ้าเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแต่ถ้าเราหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้แล้วความสงบนี้จะอยู่กับเราไปตลอดเพราะใจของเราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายใจที่สงบนี้ จะให้ความสุขเราได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์31วันต่อเดือน12เดือนต่อปีจะมีความสุขไปตลอดแม้เวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราก็ยังมีความสุขได้ดังนั้นเราควรที่จะมาหาแฟนใหม่กันเพื่อที่เราจะได้เลิกแฟนเก่าที่ไม่ให้ความสุขที่แท้จริง ให้ความสุขเดียวเดียวแล้วก็ให้ความทุกข์เวลาที่เขาจากเราไปเวลาที่เขาไม่สามารถทำหน้าที่ของเขาได้ดังนั้นเราควรที่จะมาหาแฟนใหม่มาหาความสงบกันวิธีที่ทําใจของเราให้สงบเราก็ต้องมีสติสตินี้จะเป็นตัวที่จะทำให้ใจเราสงบ พอะสตินี่เป็นเหมือนเบรกของใจตอนนี้ใจเราไม่สงบเพราะว่าใจเราไม่หยุดคิดใจเราชอบคิดไปเรื่อยๆคิดแล้วก็ทำให้เกิดความอยากเกิดความว้าเหวเกิดความเสียอกเสียใจถ้าเราหยุดคิดได้ความว้าเหวความเสียอกเสียใจความทุกข์ต่างๆจะหายไป แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือความสุขใจอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรามีอยู่ในตัวของเราแต่เพราะความเห็นผิดเป็นชอบเพราะมิจฉาทิฏฐิเราถูกหลอกให้ไปคิดว่าความสุขที่อยู่ข้างนอกอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การมีร่างกายไปหา สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราวันนี้เราโชคดีเราได้มาวัดเราได้มาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าความสุขที่ดีที่สุดที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราที่สงบไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความสุขที่ร่างกายนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าร่างกาย เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้เราจะทุกข์กันมากดังนั้นเราต้องมาแก้ความเห็นที่ไม่ถูกความเห็นที่คิดว่าความสุขอยู่ที่การหาความสุขผ่านทางร่างกายหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกซึ่งเป็นความสุขเดียวๆ พอเวลาใดอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพเวลานั้นก็เศร้าโศกเสียใจเวลาแฟนตายไปหรือเวลาแฟนทิ้งเราไปเวลานั้นไม่มีใครหัวเละไม่มีใครยิ้มมีแต่ร้องห่มร้องไห้กันเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเสพนี่มันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราว บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็ต้องทุกข์ทรมานใจถ้าเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เราก็จะได้ไม่ไปหามันไม่ไปอาศัยมันมาให้ความสุขเรามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเราดีกว่า มันให้ความสุขตลอดเวลาให้ความสุขอย่างถาวรเพียงแต่เราต้องสร้างมันขึ้นมาวิธีสร้างขึ้นมาก็คือเราต้องหยุดความคิดให้ได้วิธีจะหยุดความคิดก็ต้องใช้สติการที่จะมีสติก็คือต้องใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆความคิดต่างๆมันก็จะหยุดไป พอความคิดหยุดไปความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาพยายามสร้างสติกันท่องพุทธโธไปทั้งวันท่องไปภายในใจอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราคิดมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าความคิดมันทำให้เรามีความสุขถ้ามันทำให้เราไม่มีความทุกข์เราก็ น่าจะไม่มีความทุกข์ไปนานแล้วน่าจะมีความสุขตลอดเวลาแล้วแต่ความคิดนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราพราเวลาคิดแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปพอเกิดความอยากแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่บ้านก็รู้สึกเหงา หงุดหงิดลำคาญใจต้องออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านให้ได้ถึงจะหายจากความหงุดหงิดลำคาญใจหรือหายจากความว้าเหวเศร้าซ้อยหัวเหงาซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากความอยากออกไปเที่ยวถ้าเราใช้พุทธโธพุทธโธไปความคิดที่อยากจะออกไปเที่ยวก็จะหายไป <c oughs> พอความคิดหายไปความอยากหายไป อารมณ์ต่างๆก็จะหายไปความรู้สึกเศร้าส้อยงยเห ง, า, ง, า, งาว้าเหวีความหงุดหงิดลำคาญใจต่างๆก็จะหายไปนี่คือวิธีสร้างแฟนใหม่สร้างความสุขที่ดีกว่าแฟนเก่าคือความสุขทางร่างกายเพราะมันมีความทุกข์ตามมาอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำใจของเราให้สงบ อันนี้จะไม่มีความทุกข์ตามมาจะให้ความสุขเราตลอดเวลาดังนั้นขอให้พวกเราพยายามฝึกสติกันให้มากๆไม่เป็นของยากเลยเพียงแต่ระลึกถึงคำว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเท่านั้นเองพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็นึกพุโทโธไปเลยไปทำอะไรก็พุโทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทา ถ้าเราต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทําเราก็หยุดพุทธโธไว้ชั่วคราวเ mm hmm. ช่นเราต้องคิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรจะต้องไปทํางานไปวิทยุรที่ไหนอตอนนั้นเราก็คิดได้พอคิดเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมตัวขณะที่เตรียมตัวเราก็พุทธโธพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะจะทําให้ใจเราไม่มีความสุข ให้คิดอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วชีวิตของเรานี้จะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเงินทองเพราะถ้าเราอาศัยร่างกายหาความอาศัยความสุขทางร่างกายเราก็ต้องมีเงินทองเพราะเราต้องไปซื้อสิ่งของต่างๆมาให้ความสุขกับเราเวลาเราอยากฟังอยากดูเราก็ต้องไปโรงภาพยนตร์ ก็ต้องเสียค่าผ่านประตูเข้าไปถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ไม่สามารถหาความสุขได้เราจึงต้องวุ่นวายกับการไปทำมาหาเงินหาทองกันกว่าจะได้เงินทองมาแต่ละเดือนนี้ก็เหนื่อยแสนเหนื่อยพอได้มาไม่กี่วันก็หมดเพราะความอยากที่จะหาความสุขจากการใช้เงินทำให้เราบางทีเงินทองไม่พอใช้ ทำให้เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือบางทีทําให้เราต้องไปลักขโมยเงินของผู้อื่นมาใช้เพื่อที่เราจะได้มีความสุขพอเราไปทําผิดกฎหมายเราก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปตายไปก็ต้องไปใช้กับนายอาบายอีกต่อไปเพราะเราไม่สามารถควบคุมความอยากของเราได้ เพราะเราไม่รู้จักวิธีที่ง่ายๆคือเพียงแต่ให้คิดคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆแล้วความอยากต่างๆก็จะหายไปดังนั้นตอนนี้เราได้มาศึกษาได้มาได้ยินคำสอนของพ่อพรธเจ้าที่สอนให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องให้เราหาพุโทโธกันดีกว่าหาเงินหาทอง พราะถ้าเราได้พุโทโธเราจะได้ความสงบเมื่อเราได้ความสงบเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองอีกต่อไปเราอยู่เฉยๆเราก็จะมีความสุขได้และเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย นี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าความสุขของเราอยู่ที่ความสงบของใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกิจลรสต่างๆสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นความทุกข์ทุกวันนี้พวกเราทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับเรื่องเงินทองนี่ไม่ใช่เหรอเราทุกข์กับเรื่องของร่างกายเราไม่ใช่หรอเราทุกข์กับ สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ใช่เหรอเวลาเขาทำอะไรไม่พอใจให้เราไม่พอใจเราก็ทุกข์เราอยากจะให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เราพอใจแต่เขาไม่สามารถทำตามที่เราต้องการได้เราก็เลยต้องทุกข์กับเขาแต่ถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราไม่ต้องไปทุกข์กับใครเพราะเราไม่ต้องไป เอาอะไรจากใครไม่ต้องไปพึ่งอะไรจากใครใครจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้เราถูกใจเราจะไม่ทุกข์กับเขาเพราะเราไม่มีความต้องการที่จะได้อะไรจากเขานั่นเองนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องที่จะทำให้เราคิดและพูดและทำที่ถูกต้อง ก็คือเราจะคิดแต่พูดโทรพุโทโธไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปทำอะไรให้เหนื่อยยากเพราะว่าถ้าเรามีความสงบแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเราก็ไม่ต้องไปคิดไปพูดเพื่อที่จะได้สิ่งต่างๆมานี่คือความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้สงคนพบแล้วนำมาสั่งสอนพวกเรา นอกจากการมีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วหลังจากที่ตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเรามีความสุขอยู่ในใจใจของเราก็เลยไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายาม ปฏิบัติตามคำสอนของพระพทธเจ้าให้ได้เพราะว่าถ้าเราทำได้แล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เราจะได้มีความสุขไปตลอดไม่มีวันส้นสุดเราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้